เดือนเดียวกันวันที่23ตุลาและก็นี่คือพิเศษพรอง์ท่านหนึ่งคือในหลวงราชการที่9ของเรานะพระระมินทรัพย์มหาพูทธพงศเดชนะครับวันข้ายวันสวน่วนอดคต13ตุลาคมก็ถือว่าเมื่อเราย้อนและลึกถึงไปถึงพระองค์ท่านที่ทรงงานแต่สมัยก่อนใครดูข่าวในพระราชสำนักนะ เเดี๋ยวเสด็จไปนู่นเดี๋ยวเสด็จมานี่สมัยก่อนไปลำบากเลยนะอย่งเราชาวยกรุงเทพเย็นมาอยู่พิโรจน์ก็ได้อยู่สมัยนี้นะแต่สมัยก่อนพุกท่านต้องเดินทางเดินทางก็ใช้อเพลิ์ลปเตอร์ช่วยถ้าาที่ไหนลําบากหรือไม่แต่การเดินเขากลายเป็นเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างที่ลําบากมากมายไม่ว่าภูเขาสูงขนาดไหน พูผาลึกขนาดไหนถ้าสามารถไปได้ไปนะฮะเราจะพูดกันง่ายๆว่าประเทศไทยเรียกว่าทุกตารางนิ้วพระบาทสด็จเหัวพวมิพวมพณุวันเดชรัชกาลที่9เนี่ยได้เสด็จไปเกือบทุกที่และพรงมีแผนที่ด้วยแผนที่หลายที่ไม่มีในแผนที่พระงกม็มาร์กไว้แล้วเมื่อแผนที่ใหม่ออกมาก็มีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นด้วย น, นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและโครงการของพวกนั้นมากมายก่ายกองเหลือเกินนะฮะเยอะแยะนับกันไม่ท่วนไม่ถูกถ้าเราสารต่อให้ดีก็จะเกิดประโยชน์กับแรอคนในประเทศไทยมากมายก่ายกองนะครับวันนี้จะนำส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตนะฮะที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียง <c oughs> บางทีทางนักวิชาการชอบเสนอว่าปรัชญานะ ยิ่เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัช ญ, ญานะปรัช ญ, ญาเป็นเรื่ององค์ความรู้แต่เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของวิถีชีวิตในหลวงอาจาันทก้าไม่เคยเสนอเป็นปรัช ญ, ญาแต่เสนอเป็นเรื่องของวิถีชีวิตป่าเศรษฐกิจพอเพียงชีิตพอเพียงนะฮะถ้าพูดง่ายภาษาไทยๆก็ชีวิตพอเพีย ง, นะะ ถ, ง, ยยยงถ้าเราเข้าใจหลักการนี้จริงๆเราจะมีปัญหาอะไรแต่สมัยก่อนนั้นเราชอบเข้าใจว่า ไอ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องชิดพอเพียงเป็นเรื่องของคนจนเป็นเรื่องของชาวนาชาวไร่เป็นเรื่องเกษตรกรไม่เกี่ยวกับอะไรนักลงทุนใหญ่แต่เศรษฐกิจพอเพียงชีดพอเพียงเกี่ยวกับคนทุกระดับชั้นนะฮะเกี่ยวคนทุกระดับชั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญานะมันเข้าเพลงในทางภาษาตำรานะเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระยูหัว ทรงมีพระรบรมราชี้แนะแนวทางการเมินชิดแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงนิ้นยำน้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโล ก, กาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างและอนาคตเกี่ยวกับกระแสของเอ AI เออ artificial นะครับ intelligence เรื่องของอะไรการใช้สมองกลที่เป็นเหมือนมนุษย์คิดได้อย่างมนุษย์ทำเหมือนอย่างมนุษย์อนาคตแยกไปออกว่าใครสมองกลใครใครคือใครคืออะไรต่างเนี่ยคือจะมีการทำหลากหลายถ้าเรารู้จักกันพับพื้ น, นทีลาจะเรียกว่าหุ่นยนต์ก็ตามแต่นีนี้หุ่นยนต์จะมีรูปร่างคล้ายคนมากขึ้น แต่ถ้าเราดูหนังเนี่ยหนังเนี่ยมันจะทอนความจริงหนึ่งว่าอกหนลอยคุนยมมันคิดได้เหมือนคนพัฒนาความคิดได้นะมีการพัฒนาความคิดได้นั่นก็ตามแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะยุคในสมัยในโล ก, กาพิวัตรโลกของ AI ก็ตามแต่นะฮะหรือว่า New World Order ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าพวกนี้นะฮะเซกิจพอเพียงนะฮะอยู่ได้กับทุกสานการณ์อยู่ได้ทุกสถาการ ปัจจุบันนี้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของอะไรเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิตอลใช่ไหมเงินคอยทั้งหลายแหละเงินคอยนี่มันมีหลายยี่ห้อนะเช่นวันคอยและที่ไอ้ถูกโกงไปคืออะไรบิตคอยหรือไงเนะี่ยนมันมีหลายห้องเหมือนชื่อธนาคารไหนคอยคอยทั้งหลายนะมันชื่อธนาคารและอีกหน่อยก็บอกได้เลยว่าท่านหนีไม่พ้นธนาคารที่ท่านเห็นอยู่ถูกยุบไปเราจะไม่ใช้เงินแบงเงินเหรียญต่อไปเราใช้เงินในอากาศ ไม่มีการจ่ายเงินสดไม่มีการจ่ายเงินสดจะไปกลัวมันเมื่อก่อ น, น, นท่านเล่นลายไม่เป็นใช่ไหมเล่นเฟซบุ๊กไปเป็นใช่ไหมทีนี้ท่านเล่นคล่องนะใช่ไหอไม่กลัวเสยอย่างทําได้หมดนะนะเจ็บนกะ็โกงนะไม่กลัวพร้อมเพย์ใช่ไหมทีนี้โอนเงิ น, โอ น, งนโอนเงินทางอะไรทางโทรศัพท์ใช่ไหมนะโอนเงินทางโทรศัพท์ก็เป็นแถวเลยแต่ถอนไม่ได้เฉยเลนะฮนะ มีการพัฒนาต่อไปเพราะว่าเขาไม่นิยมให้ใช้เงินสดไงซึ่งเราเจอแต่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ได้กับทุกยุคและทุกสมัยเป็นรากฐานชีวิตเป็นพื้นฐานชีวิตเป็นหลักฐานทางความคิดเป็นหลักการที่ปรับตัวได้กับทุกโอกาสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราสามารถอยู่ได้ถ้าเรามีหลักการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีแต่โบราณลนะ ในหลวัชาลที่เก้าไม่ได้คิดใหม่อะฮะเอาของโบราณโบราณเขาใช้คําว่าทำมาหากินคําว่าทำมาหากินเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทําเพื่อกินเหลือจะกินแจกเหลือจะแจกก็ขายถ้าจะรวยก็ปล่อยอไปอันนี้คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจริงในทุกด้านต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นะให้เรามองเห็นภาพนั้นก็เลยนักวิชาการเขียนออกมาสาังว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงอนไขห่วงพอประมาณห่วงมีเหตุมผลห่วงมีภูมิคุ้มกันเงืินไขสองเ ง, งินไขคือเงินไขทางความรู้และเงินไขทางคุณธรรมเป้าหมายคือนําไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒธรรมสมดุลพร้อมกับรับการเปลีป่ยนแปลงเศรษฐกิจดีนะฮะสังคมมั่นคงสิ่งแวดล้อมดีต่างดีมันพัฒนาถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมันมนําไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีว่าทําที่ดีและมีความสมบูรณ์สมดุลการมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีด น, นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าพอมาแปลคำ ว, ว่าพอเหมาะภาพของตนพอควรกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสังคมไม่โลภจมบิดเบียนตัวเองผู้อื่นทําลายสิ่งแวดล้อมนะมีเหตุมีผลคือไม่ประมาท ร, รอบรู้มิสติรู้สาเหตุทำทำไมเพราะอะไร รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆมีภูมิกันคือสุขภาพดีพร้อมรับความาเสี่ยงวางแผนเนองินออมเองินประกันทำประโยชน์ผู้อื่นสังคมเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีภูมิคุ้มกันนะแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมกับความรู้นะถ้าพูดง่ายคือว่าสามารถพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุดถ้าเราดําเนินชีพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เราเป็นคนรวยที่มั่นคงพูดยังตรงไปนะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เราเป็นคนที่รวยอย่างมั่นคงแต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวยสักพักนึงเดี๋ยวก็หายรวยเพราะว่ า, เ, าเก็บไม่เป็นออมไม่เป็นป้องกันตัวเองไม่เป็นอะไรต่างให้เป็นนะฮะโลภอย่างเดียวอาจจะได้สักพักหาย <c oughs> อันนั้นคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นก็นุนใจให้มองเห็นว่า อันนี้คือคุณสษณะของคนที่ที่อยู่ในทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะเป็นบบนี้สามห่วงสองเงินไขนะครับอธิบายความนี้นั่นคือสิ่งที่คนเกิดขึ้นเราและสิ่งนี้เองอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันที่พ่อพีได้บอกเอาไว้นะครับชีวิตพอเพียงคืออะไรถ้าสุขควา ม, มง่ายนะฮะคือความพึงพอใจกับสิ่งที่มีทุกสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนที่มีค่า นะความความพอเพียงคือความพึงพอใจกับสิ่งที่มีทุกสิ่งเรามีเป็นต้นทุนที่มีค่า <c oughs> อย่าคิดว่าเราได้ยคนอื่นเขาน ะ, ะก็เรามีตัวอย่างเยอะใช่ไหมนิกใช่ไหมนิกเนี่ยแขนด้วนขาด้วนใช่ไหมแขนด้วนขากุดนี่นะมีแค่นิดหน่อยที่สําหรับขี่ไปได้เนี่ยนะนะฮะแต่เขามีความรู้สึกว่าเท่าที่มีก็คุ้มค่า ถ้า ม, มีก็มีค่าพอเพียงในการจะทำสิ่งต่างมากมายทำให้ค่าเป็นคนดังระดับโลกอะ่ะเข้าใจไหมเป็นคนดังระดับโลกอะ่ะเดี๋ยวนี้นางแบบคนหนึ่งขาอ่าขาด้วนใช่ั้มแต่เป็นนางแบบระดับโลกเข้าใจป่าข้างล่างหายไปแตขงง่ข้างบนใช้ได้อะ่ะเป็นนางแบบได้อะ่ะคือถ้าขอให้ว่าถ้าสิ่งที่ฉันมีเป็นสิ่งที่มีค่าเนี่ยจะไปมองคนอื่นอันนั้นเขามีอันนั้นทาไมฉันไม่มี ก็มองดูสิ่งที่เรามีสิและสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเอามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด น, น, นั่นคือสิ่งกันความพคดีตามต้องการคือความจําเป็นพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามีกินมีอยู่ตามความพื้นฐานนะจบละคนไทยผมพูดห่อยครั้งใช่ไหมหลายครั้งหลายคาแล้วก็พูดว่าคนไทยไม่มีกินคนไทยโจนคนไทยเป็นหนี้ไม่ใช่แนละ้ว มีอย่างหนึ่งที่คนไทยพูดผิดคนไทยมีกินครับแต่คนไทยไม่มีเงินใช้นี่เฉยนะฮะไม่มีตังมีกินนะคนไทยอ่ะยิ่งแถวทนบทเนี่ยบ้านเราเนี่ยออกไปเนี่ยเก็บผักปุ้งกินอะไรต่างกินสลพัดต่า ง, างไปจับปลาตามไราตามนาเขาไม่ว่าหรอกนะไม่ถึงขนาดเอาไฟไปช็อตใอนแถวนี้จับมากินเลยนะมีกินฮะคนไทย แต่เพียงว่าไม่มีเงินใช้นี่เฉยอ้างไม่มีเงินใช้นี่มาเป็นเหตุบอกไม่มีกินไม่ใช่คุณมีกินแต่คุณไม่มีเงินใช้นี่ก็แค้ น, นเองคืสิ่งว่าพอที่เหตุผลว่าเราต้องการเกินความจําเป็นแล้วกินก็กินแค่อิ่มจริงไหมสั่งมาเท่าไหร่ก็ตามแต่มื้อนี้จะหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งหรือว่า200อผลเหมือนกันคืออะไรอิ่มแต่จริงกินมาถึงแสนอาจจะเหลือบนโต๊ะ แต่กิน200ร้อยอาจจะเกลี้ยงเลยไม่ต้องล้างจานไม่ต้องล้างจานต่างกันแค่นี้เองนะกินแล้วมีเหลือกกินแล้วไม่ไ ม, ไมีเหลือนะฮะนั่นคือสิ่งมองเห็นภาพนั้นช่วพอเพียงกินะพึงพอใจกับสิ่งที่มีทุกสิ่งเรามีเป็นต้นทุนที่มีค่าจมไว้ดีทุกสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนที่มีค่าและความพอดีคือความต้องการบนพื้นฐานความจําเป็นพื้นฐานถ้าความจำเป็นพื้นฐานาา น, ฐา น, นี่มันต่างการเงินเยอะ เมืองการเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้บอกราคาใส่เสื้อผ้าตัวละเสื้อตัวละหนึ่งมืนบาทแต่ทำให้สุขภาพร่างกายดีก็ไม่ได้พูดถึงแต่ใส่ให้มันอบอุ่นเมื่อมีความอบอุ่นสุขภาพร่างกายก็ดีนะแต่บางทีมีประเภทบางประเภ ท, ท เ, เรื่องของความสวยงามนใส่เสื้อนานโนแล้วหุ่นดีก็เป็นเรื่องนึ่นไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกันกรกินกันอยู่ เก้าหุ่นก็จะเก้าหุ่นนะฮะแล้วใส่เสื้อนาโ น, โนปั๊บเนี่ยหุ่นจะดีอ่างต่างพวกนี้นะก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นไม่ต้องแพงเพราะเกี่ยวเรื่องความสวยความงามไม่เกี่ยวเรื่องางการกินการอยู่ยต่างพวกนี้คือให้มองเห็นภาพนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อสิบถึงยีนะเราเปิดพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อสิบถี 20, ่สิด้วยกันและจะสลับอ่านคนลเข้อนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่10บกับบทที่4 ข้อที่สิข้อข้อยีผมจะอ่านข้อที่10บพี่น้องอ่านข้อสิบอสลับไปจนถึงข้อที่20นะครับฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่10ได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมดีในองค์พระเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ ข้าพเจ้ารู้จักจ ะ, ะเผชิญความตกต่ําและรู้จักเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จ ะ, ะเผชิญกับความอิ่ท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนถึงขนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้า ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายช่วยหลายครั้งหลายหนข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟริทัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า รเราขอให้พระเกียรติทรจงมีแด่ระขอให้พระสรีจงมีแด่พ ร, แดพระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนร่วมใจฐานครับพระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าพรมพรียทุกตอนรับการดล ใ, ใจซึ่งมาจากพระเจ้าประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการประคุณแก้ไขคนใดีการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงจะพักพร้อมในการทําการดีทุกอย่างไว้พรในข้างหลายทุกคนในการเข้าใจในพระเจ้าพระเจ้า ที่ทรงทำแต่งคงหลายขอบะญยามสุริตร์หลายตามชอบประไทยประเจ้าทุปการจึงในฐานสรรเสริญและขอบคุณในความรักของพระองค์ในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเปาโลเป็นตัวอย่างของคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะ ร, รู้จักเผชิญความอดอยากรู้จักเผชิญความอุดมสมบูรณ์นะฮะพร้อมจะอยู่พร้อมจะไปกับพระเจ้าตลอดเวลานะครับนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่า เราจะมีะเราจะมีชิดพอเพียงเนี่ยเหมือนเปาโลเหมือนคนอื่นได้อย่างไรนะครับนั่นคือสำคัญสิ่งสมสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราต้องรู้ว่าเราจะอยู่อย่างไรเราต้องรู้ว่าเราคาดหวังอะไรอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> เราอยู่เพื่ออะไรสำคัญนะหลายคนภาษาไทยเทาเพื่อเกิดมาใหญ่เสียชาติเกิดนะ แปลความมาอยู่เพื่ออะไรนะแล้วก็อยู่อย่างไรแล้วคาดหวังอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่มองเห็นภาพหนึ่งอยู่เพื่ออะไรนะฮะคำตอบคือว่าเราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างเปาโลเพราะสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประคิดและการตายก็ได้กําไรถ้าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าจะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไว้ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้คือข้าพเจ้ามีความปรารถนา ที่จากไปอยู่จากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชิด อ, อยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากสําหรับพวกท่านเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้ายังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อท่านจำเนิญขึ้นและที่นชมดีในความเชื่อนี่คือสิ่งที่เปาโลทําไมต้องอยู่ถ้าถามเปาโลว่าอยากอยู่ไหมบอกไม่อยากอยู่อยากไปอยู่กับพระเยซูนะฮะ แต่ณเวลานี้เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้มีชีวิตอยู่อยู่ทําไมก็อยู่เพื่อท่านทั้งหลายอยู่เพื่อคนฟิลิปปีอยู่เพืผู้ที่เชื่อมาทั้งหลายทุกคนนั้นคือสิ่งนั้นอยู่เพื่อพระคริสต์อยู่เพื่อทําตามไนงะทำตามน้าพระทายของพระเจ้านะพร้อมทําตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์นั้นชีวิตของเราเนี่ยขอให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะมีความสุขจริงนะและมีชีวิตอย่างพอเพียงจริงเนี่ยขอยให้เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูจริงๆหรือไม่ ถ้าไปทบทวนดีๆนะที่เราทุกมากมายกายกองเหลือเกินถึงขนาดต้องเอามือกายหนะ้าผากสองสามมือกายเข้าไปนะฮะเพราะเห็นว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อประคิบเราอยู่เพื่อตัวเองเราอยู่อย่างที่เราอยากจะได้และมันไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้เราเครียดนะฮะเราอยู่อยากจะเหมือนคนอื่นเขาเราอยู่แบบเลียนแบบคนอื่นเขา เราอยากจะมีอย่างที่อุนเขามีนั่นคือปัญหาที่เราอยู่แต่ถ้าเราอยู่เพื่อพระคริสต์เนี่ยพระคริสต์ให้เราอยู่เพื่ออะไรมีอยู่ เ, เพื่ออะไรคริสเตียนเป็นบุคคลที่ได้เปรียบมากนะเพราะพระเจ้าจะวางเป้าหมายชีวิตให้เราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนและถ้าเราสามารถเดินไปตามนั้นได้เราจะไม่เครียดครับเราจะไม่เครียดเลยถ้าเราเดินไปตามนั้นได้นะเราเดินไปกับพระคริสต์ไปตามเป้าหมายคริสต์นั้นพระเยซูผู้ตามเรามาเป็นเสาวของเราไงต้องเอาชนะตัวเองแบกกังเขน ของเราและตามปร่งไปทุกวันอันดับแรกคือเอาชนะตัวเองคือว่าต้องไม่อยู่เพื่อตนเองที่เราทุกข์กันทั้งหลายทุกวันนี้เราอยู่เพื่อตนเองมากกว่าและไม่รีพกพระเจ้าลองนะฮะลองมาเปรียบเทียบใครได้ถ้ามีคนหนึ่งอยู่เพื่อพระเจ้าเขาจะไม่ใครทุกข์มากนะักกระทุกตามประสาณ์นะมาร์สตานก็ทําอะไรให้เราให้เราจะไม่ไม่เชื่อพระเยซูแต่ที่เราทุกข์มาก่สุดคือเมื่อเราอยู่เพื่อตัวเอง ไม่ได้อย่างที่คิดไม่ได้อย่างที่ฝันไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้มันมันรู้สึกว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไงเองรวยได้ข้าก็ต้องรวยได้เองก็คนข้าก็คนก็เลยพยายามไปแข่งกับเขาแข่งรวยไงแข่งกันแล้วก็ทุกสีฮะใจรื้อแล้วนะบางคนเขามีต้นทุนดีนะคนที่เกิดมาคาบท้อนเงินช้อนทองเนะี่ยเขาย่อมดีกับเราอยู่แล้วผมมุณไปแข่งอะไรกับเขา นะไว่าเป็นแจ็คหมาแคว่ากันแต่แจ็คหมาก็ถอนตัวนะเกษียณละจะกลับไปเป็นครูสอนละแต่แจ็คหมาก็มีวิธีคิดนี่เหมือนชาวบ้านเขาแจ็คมาไม่มีท่าทีในการจะมาหาเงินแต่แจ็คมาคิดเรื่องการใช้เงินนะ <ynasty> เขาไม่ได้หาเงินเขจะใช้เงินใช้ให้เป็นนะฮะอันนั้นคือสิ่งสำคัญตอนนี้เขาเาบอกเขาเก่งกับบินเกต มิ้เกตยไม่เกษียณเลยเขาเกษียณแล้วเขายกไอซีดีอให้กับคนอื่นไปละไออารีบาบางเขาเนี่ยเขาไม่ทำละนะเป็นที่ปรึกษาให้แต่แ้ากลับไปเป็นครูสอนตามความฝันเหมือนเดิมของเขามีความสุขสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กคนจีนเขากลับไปนั้นสอนในมหาวิทยาลัยให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคนที่อยู่เพื่อตนเองเนี่ยมักจะทุกข์แต่ถ้าอยู่เพื่อบัคริต หรือพูดคำหนึงอยู่เพื่อคนอื่นอาจจะง่ายหน่อยอยู่เพื่อคนอื่นเนี่ยอยู่เพื่อพระคิดแปลความหมายว่าอยู่เพื่อคนอื่นเพราะพระคิดอยู่เพื่อใครพระคิดอยู่เพื่อเราพระองค์ไม่มาเพื่อตัวพงศ์เองนะพงศ์มาเพื่อเรานะฮะมาเพื่อคนนั้นคนที่อยู่เพื่อพระคิดก็คืออยู่เพื่อคนอื่นถ <pe> <possibilities> <f lex fails problem> ้าเราม่ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเราจมีความสุขแต่ถ้าเราม่ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเราจะมีความทุกข์ทุกข์มากทุกข์หนักเครียด นะมีหลายเรื่องหลายอย่างกระแสะสังคมแต่ถ้าเราอยู่เพื่อพระคิดเราไม่สนใจกระแสะสังคมอาจจะมีความเหนื่อยยากมีความลําบากในการทํางานต่างเพื่อคนอื่นก็จริงแต่มีความสุขกว่าเพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับไงแต่ถ้าเราอยู่เพื่อตนเองปั๊บเนี่ยเรามีปัญหาแน่นอนถ้าเราตั้งใจต้องไปหมายนะว่าชีวิตนี้ฉันต้องมีเงิน20่ล้านโอเคนะท่านอาจทําได้20บล้าน แต่ท่านทราบไหมถ้ามันหายไปสักแสนเดียวท่านทุกข์ใจมากเลยเพราะยี่สล้านท่านไม่ครบใช่ไหมท่านไม่ครบมันหายไปแสนเดียวเลยท่านจะเดือดร้อนมากเลยมันต้องหามาเติมให้ได้ครบยี่บล้านได้ชีวิตนิ่มต้องมียี่ล้านไงาหายไปแสนเดียวเราเดือดร้อนมากเลยความทุกข์เรความทุกข์เราเกิดขึ้นแล้วนั้นคือส่วนที่เกิดขึ้นนั้นกระนุนใจมองเห็นภาพว่าอยู่เพื่อใครอยู่เพื่ออะไรนะสิ่งที่ประวโลมจงอยู่เพื่อประคิด นะฮะจนอยู่เพื่อพระคริสต์ น, นันคือสนั้นคนในอดีตนะพี่เขาอยู่เพื่อพระเจ้าเขารู้ว่าน้ําพระแท้พระเจ้าคือหลายพวกอับราฮัมต่างเนี่ยเขาอยู่ไม่ชิด อ, อยู่เพื่อรอครอยเป็นสวรรค์<ม>เขาไม่มีความรู้สึกอยากอยู่ในโลกนี้นั่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจะมีที่ดินอาศัยมีบ้านอาศัยไม่ใช่ปัญหาขเขาแต่เขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่กับพระเจ้าแล้วจบละสบายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องยึดในหลักการงพระเจ้านะ ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วจะพอใจยอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักจ ะ, ะเผชิญความตกต่ำรู้จักที่เผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดข้าพเจ้ารู้จักเค็ดลับเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากของอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์มมรณพูนสุขและความขัดสนยึดหลักของพระเจ้าไม่จะอยู่ในสถานการณ์ ใ, ใดๆก็ตามแต่นะ เราพร้อมจะอยู่กับพระเจ้านเะช้าวคุยเรื่องของอานาโอมีอลิมิเล็กครอบครัวอลิมเล็กกับนาโอมีนะครับเมื่อกุงยูสเลมบ้านเบตเลเฮมการด้านอาหารนนาโอมีนะแปลว่าสบายนะแรงเป็นคนรวยมีตังค์พอเกิดการอาหารครับรู้สึกลำบากมองดูประเทศโมอับโอ้เข้าจเจริญ น, นะเราย้ายอยู่โมอับดีกว่า แต่ผตออกมาคืาอเมียโยว์โม่อับอะไรเกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งสามีตายอยู่ไปสักพักหนึ่งลูกชายต้องแหกกฎของธรรมเนียมอยู่ต้องแต่งงานคนต่างชาติไปอีกสักพักหนึ่งลูกชายสองคนมารวนกิโอนตายเหลือแต่ลูกสะพ้ายสองคนทะนั้นเวลานั้นอามีได้ข่าวว่าพระเจ้าอวยพรเยรูซาเล็มก็เลยตั้งใจกลับแล้วบอกกับสองคนว่าออรปากับนางรูธว่า กลับไปบ้านเถอะไปหาญาติพี่น้องท่านไปแต่งงานซะโรปากลับแต่ว่านางรู้ติดตามมาสิ่งนี้มองเห็นว่าถึงแม้ว่ายุสมจะเกิดความเดือดร้อนจะขัดสนแต่ต้องอยู่กับพระเจ้าที่นั่นเพราะเดี๋ยวพระเจ้าจะฟื้นฟูกลับคืนมาให้แต่เมื่อท่านหนีออกไปจากพระเจ้าดูเหมือนสุขสบายแต่สุทดท้ายอะไรเกิดขึ้นโลดแยกทางกับอับราฮัมที่เป็นลุงอั บ, อบราฮัมรุงว่าเอา้าหลานเจ้าองไหน โลดมองเข็นเมืองสดุดุมกราเหมือนอุทยานสวรรค์พระเจ้าในเลือกแผ่นดินนั้นแต่้แผ่นดินนั้นมันเต็มด้วยความบาปมหันเลยอะโลดจะต้องส่งคนไปช่วยอ๋อพระหามเปองคนไปช่วยโลดแล้วสุดท้ายพระเจ้าทําลายเมืองนี้เพราะความบาปนะนะฮะอ๋อพระหามก็ต้องมาทูลในฐานขอร้องพระเจ้าต่อรองพระเจ้าสุดท้ายก็ช่วยโลดกับแลลูกอ๋อลูกออกมาได้ส่วนภรรยาออกมาละแต่หันหน้าไปดูหน่อยเลยใครเป็นเสาเกลือซะ ยังห่วงสมบัติที่อยู่ในเมืองโสดมและกุมารานั่นคือสิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามแต่ถ้าเราอยู่เพื่อบัคคิดตรงอยู่กับพงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวพงจะฟื้นฟูให้พึ่งพาในพระเจ้าข้าพระเจ้าประชันทุกสิ่งได้โดยพระองค์พู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้าพระเจ้าประชัทุกสิ่งได้โดยพระเยซูเพิ่งชูกําลังข้าพเจ้าในภาษาเดิมนะโดยพระเยซูชูกําลังข้าพเจ้านั่นคือสิ่งให้มองเห็นภาพนี้ ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าเชิญอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวพระเยซูจะชูกําลังให้เราจะเสริมกําลังเรื่อยๆให้เรามีกําลังสามารถไปเชิญกับปัญหาได้แล้วสุดท้ายพระองค์จะพลิกฟื้นกลับมาให้เราเหมือนกับที่พระองค์ทำกับโยบเนโยบทนอยู่กับพระเจ้ายืนใจกับพระเจ้าสู้คนี้กับพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าเปิดแผนแตงและอวยพรเขาเป็นสองเท่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราอยู่เพื่อพระคริสต์ยังไงก็อยู่ได้ การอยู่เพื่อบัคคลิตจะอยู่บื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงนะฮะนั่นคือสิ่งนี้มองเห็นภาพนี้นะครับเพื่อภารกิจของพระเจ้าทจริงมันต้องกอขอคอนะก็ปีละกรมไปทันนะอันนะี้คอควายเพื่อภารกิจของพระเจ้านะฮะข้อที่3ามนะเนี่ยข้อ2อยู่อย่างไรนะกิจหยุดขอภยัยอยู่อย่างไรนะครับการอยู่อย่างไรคือว่าอยู่ให้เป็นอยู่ในหลักการจะอัที่สมนะคาดหวังอะไร เพื่อพันธกิจพระเจ้าในข้อ14บอกว่าถึงกระ น, นั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวพุทธปีก็ทราบดีแล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐอิราเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแพร์มาสูเนียไม่มีกิดจกดักใดมีส่วนร่วมข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นอยู่ยังมีการคาดหวังคืออะไรอยู่ร่วมพันธกิจกับพระเจ้าการทำรํำภารกิจกับพระเจ้าจะทําเรามีความหวังใจ การทําธุรกิจเพื่อตัวเองจะหวัดระแวงมากท่านว่ากันไหมเราทําธุรกิจเพื่อตัวเองนะเราต้องพยายามระวังว่ามันจะแต่ถ้าท่านรวมร่วมมือพระเจ้าทําพันธกิจกับพระเจ้าท่านนึงห่วงเรื่องการขาดทุนเพราะธุรกิจนี้เป็นของพระเจ้าเราเป็นแค่เครื่องมือของโปรง่งเป็นคนงานของพระเจ้าขาดทุนกําไรขึ้นอยู่ที่พระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับเรา หน้าทีเราคือสัตซ์ซื้อแล้วทําตลอดไปทําให้ดีสุดกําไรขาดทุนเของพระเจ้าเป็นของเราแต่ถ้าเราทำํำธุรกิจเพื่อตนเองเราต้อห่วงเรื่องกำไรขาดทุนไม่ต้องอะไรฮะวันเนี้ถ้าใครมีเงินสักสิบร้านนะท่านปวดหัวมากเลยจะฝากธนาคารไหนที่ได้ดอกเบี้ยดีอ่ะแล้วฝากธนาคารไหนแล้วจะฝากธนาคารไหนที่มันยั่งยืนเนะ ไม่มีโอกาสล้มอ่ะทุกวันนี้ก็ดูนะธนาคารไหนที่มันจะเป๋ๆนะมีโอกาสล้มนะมันมีนะก็ทุกใจไงะอะอย่างกระแสข่าวนี่กระแสข่าวเนี้ยไม่เกี่ยวกับผมนะข้าก็กระแสข่าวธนาคารที่มั่นคงที่สุดตอนนี้มีแค่สองธนาคารกรุงไทยกับไทยพาณิชย์เขาว่าอย่างนั้นอนะ่ะธนาคารอื่นมีโอกาสไปมีโอกาสไป และดอกเบีย้ยนี่มันไห้นิดเดียวไอเช่ผมพูดเมกี้นี่ข่าวเขาว่ามานะผมไม่ยืนยันะจริงไม่จริงนะท่านไปสืบสอบเองเดี๋ยวจะหาโม่บอกนะสืบสอบเองว่ามันใช่ไม่ใช่บอกที่มันคงจริงก็กรุงไทยพรากุงไทยเป็นของใครของรฐัฐไทยเป็นของใครอาคารแรกในประเทศไทยของรัฐเหมือนกันสยามกรรมนนะัมมัชน่ะใช่ไหมเออสมัยก่อนเลืสยามกรรมนนะัมมัชน่ะ นะที่เก่าแก่สุดอยู่ที่ทางแถวรัฐทีวีะนะอาคารไทยพาณิชย์นะสยามคอมเมอรเชียนนะ อ, อันนั้นคือคือสิ่งให้มองเห็นนั้นก็อยากจะให้มองเห็นภาพก็คือว่านั่นคือว่าถ้ า, าทาําภัตติกับพระเจ้าเราคาดหวังพระเจ้าเราจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าทำภัตติทำภัตติพุเองทำภัตติพุทธเองเราจะทุกข์ใจมากเครียดมากทําอะไรก็ระวังกันหมดนะจะลงทุนไหม น ะ, ะเดี๋ยวนี้ลงทุนแบบลงทุนได้เร็วได้มากนะฮะมีปัญหานะลงทุนได้เร็วได้มากมีปัญหาลงทุนน้อยได้เร็วได้มากมีปัญหาน ะ, ะลงทุนไปลเพราะลงทุนเกี่ยวกับการเงินไงเห็นไหมดอกเบี้ยขึ้นปับบบางบางกองทุนเนี่ยขึ้นเป็นหลายชั่วโมงเลย นะใหเห็นแล้วเนี่ยคุณลงทุนนี่ปั๊บมันขึ้นหลายชั่วโมงเนี่ยเหนึ่งลื่อนไปไมเน่ยเนี่ยเ น, น, น, น, น, นเออแล้วก็ลงทุนไปเพราะคาดหวังสุดท้ายก็มีปัญหาเกิดขึ้นสากลอมทรัพย์สากลเครดิตเนี่ยที่ว่าเจ๋งที่สุดเนี่ยโดยชุมชนเนี่ยก็ยังมีปัญหาปัญหาไม่เกิดจากอะไรหรอกร่ว ม, มันโกงเพราะคนเดียวมันโกงไม่ได้ สารกรในคนเดียวมันโกงไม่ได้แต่เพราะมันมันรวบ ม, มันโกงทั้งทีมันนะทั้งทีมันได้นะอย่างสากลอมซัดขึ้นจากมิกูเนี่ยแต่โกงได้มีเหตุผลเดียวทั้งกรรมการทั้งชุดเนี่ยรวมมันโกงได้แต่เราอาศัยความสัตย์ซื่อกันคนเดียวไม่ได้พิจารณาคนเดียวทําไม่ได้มีทางจังเดียวก็ทำได้นิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าจะเอากันเยอะเมากๆเนี่ย นั้นผมเคยคุยกับผู้ส่งเสริมสากลผมบอกว่าสากล ป, ปัจจุบันเนี่ยมันส่วนตัวบอกผิดวัตถุประสงค์ไว ห, หน่อยหนึ่งสากล ถ, ถ, ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนไม่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อประเทศแต่ที น, นี้สากล ถ, ถูกตั้งประดับประเทศเงเงินทุนหมุนเวียนเยอะเงนะฮะสากลรครูเนี่ยถ้าอยู่เฉพาะจังหวัดไม่เท่าไหร่นะ เฉะอำเภอเฉพาะอำเภอมเท่าไหร่แต่พอรวมจังหวัดปั๊บมันกําไรเป็นร้อยล้านอ่ะเข้าใจไหมฮะเงินมันเยอะอ่ะแต่ถ้าอยู่เฉพาะอำเภอเนี่ยมันกำไรไมเท่าไหร่หรอกอย่างสกลขจรมัตกรนนกูเนี่ยมีสมาชิกอยู่ร้อยคนสองรอคนเนี่ยเงินไม่เยอะไม่โกงหรอกเงินไม่เยอะแต่ ท, 1, ตที่เป็ น, นพนันล้านอะไรต่างพวกเนี้ยกำไรทีเป็นร้อยล้านต่างพวกเนี้ยโอ้มันล่อมันล่อชวนให้โกงบอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาให้สกลเนี่ยมีการโกงอ่ะ ยุบให้มันเล็กลงหรือแค่ชุมชนเพราะว่าสากลถูกตั้งมาเพื่อชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ใช่ขยายตัวเป็นออประเทศเพราประเทศบงเงินก็กองกองโตไงกองโตไงกองโตตาก็โตตามปัญหามันเกิดผมก็เลยพูดไปให้ฟังนะผมไม่ใช้รักษากรผมบอกแต่ผมคาดาว่าหน้าเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าจุดหมายเสากรไม่เพื่อประเทศจุดหมายเสากรเพื่อชุมชนที่เขาอยู่คุณเดือดร้อนอะไรคุณตั้งสากรเพื่อสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่มองเห็นของเราชุมชนแค่นี้เงินอย่างเก่งเนี่ยมีประมาณสิล้านเนะี่ยสิบล้านมีไม่ถึงหรอกเพราะอยู่ในสมาชิกการกู้อยู่จริงประมาณสองสาล้านในบัญชีธนาคาร ก, ก, ก, ก็คงไม่ีใครมานั่งโกงใช่ไหมไม่มีใครมาตั้งโกงสองสามล้านไม่มีใครมาตั้งโกงแน่นอนแต่ที่มันเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านมันน่าโกง นั่นคือสิ่งนั้นถ้าเราทํารกิตเพื่อพระเจ้าเราไม่คิดหวังอะไรเพราะว่าเราทําให้พระเจ้าแต่ทำมาจน ก, กิดปัญหาเราจะทุกข์มากทําให้ตัวเองไม่ค่อยเป็นพอเพียงเท่าไหร่อยากได้อยากได้ไดผมเคยเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมมีร้านหนึ่งทิมเทมหาหนาครอมอตะละกสินเนนะรวยแล้วเลิกป่านนี้ยังไม่เลิกเลยครับอย่างน้อยสามสิบปีานนรายร้านเนี้ยรา้านทหารร้านเนี้ยรานหาริดรวยแล้วเลยป่านนี้ยังไม่รวยเลยฮะโอ้ แต่มันอยู่ได้ถึงทวดนิแทก็มันรวยแล้วไงในสตาร์รวยแต่ไม่ยอมเลิกแทกเพราอะไรอยากได้อยากได้อยากได้ไปเรื่อยนั้นก็นมองเห็นว่าเราคาดหวังการคาดหวังอะไรขึ้นอยู่พันธกิจเราทําถ้าเราทำกับพระเจ้าเราลงมือพระเจ้าความหวังเราอยู่ที่พระเจ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เป็นผลประโยชน์เพื่อคนอื่นข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในทุกที่สุดท่านก็ได้ฟื้นและลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไปได้การทําเพื่อคนอื่นกำไรที่อยากได้คือมีเรื่องเดียวแค่กําลังใจนะเป็นกําลังใจให้คุณนะถ้ร้องเพราะจะร้องให้เสียงได้แค่นี้นะนะแค่กําลังใจงานรับใช้พระเจ้าม่ต้องการอะไรมากแค่กําลังใจแต่สิ่งที่ปัญหาไม่สุดการรับใช้พระเจ้าคือการทําลายกําลังใจกัน เงินเดือนไม่สําคัญค่าตอบแทนสำคัญสำคัญคือกําลังใจการทําให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์อยู่แล้วสิ่งอยากกับใต้เป็นกําไรชิวิคือกําลังใจเมื่อท่านเห็นใครรับใชพระเจ้าเนี่ยกุณาให้กําลังใจเขาข้าอาจจะรับใช้ถูกผิดวิธีการถูกผิดบ้างไม่เป็นไรให้กําลังใจแก้ไขใหม่ คนเรามันก็ผิดพลาดได้ใช่ไหมไอ้ผิดโอเคก็กกา่ก า, กาวกันไปเตือนไปให้แก้ไขใหม่ให้กำลังใจว่าอะไรปร้าฟันอย่างเดียวไม่เลี้ยงและใครมันอยากจะรับใช้พระเจ้าเข้าใจไหมประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ได้มากนะักแต่ทามดนโดนอะ โ, โ, โดนปุยปูยจำใช้คำพูดีได้านะฮะโดนกระกระแทกกระทัน โดนกล่าวว่าตาหนิติเตียนนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นการรับเท็จเจ้าเมือนการอะไรเมือการการตกทั้งนินสิ่งเดียวต้องการคือขอเพียงแค่กำลังใจดังนั้นพอนะทำอะไรไม่ได้เลยก็ให้กำลังใจเสนเรื่องถูกรงผิด น, นั้นค่อยคุยกันแนะนากันไปหาทางแก้ไขกันไปก็แค่นั้นแหละอย่าเอาเรื่องเพงตุกมาเรื่องความเป็นความตาย มันถ้าเอางั้นกับใครก็ไม่อยากทํานทําทําเดี๋ยวก็ถูกด่านี่ยมันเป็าของผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระจเจ้านะทํำมาทําแล้วก็ถูกด่าคนเลยไม่อยากจะทำเข้าใจไหมเราถูกด่าใช่ไหมเออแต่ทําให้ตัวเองก็ถูกด่าไป็นไรเพราะมของตัวเองแต่เราทําคนอื่นนี่เราไม่ได้ประโยชน์กับคืนมาเนี่ยทําแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย <_. S 2> เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมอกรดูกบกแขวนคอเนี่ยคือคำถูกด่าแล้วใครมันอยากรับใช้พระจเจ้าแล้ว นะไม่ว่าใครตามแต่ผมกันที่ใครมั่นบ้ามากผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะถามว่าชิดของผมเนี่ยคิดอยากจะลาการพระบุตรพระเจ้าตกี่ครั้งอุลรู้หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเรียกว่านับครั้งไม่ทวนนับครั้งไม่ถทวนนะโครงไม่เอาแล้วพอดีเข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าให้กําลังใจมามพอพระเจ้าให้กำลังใจมาก็ขอบคุณเจ้าหรือมีบางคนให้กําลังใจเราก็ขอบคุณพระเจ้าโอเคอยู่ได้เพระเหตุผลเดียวกําลังใจ กับการคาดหวังว่าขอไม่ถวายเกียรติพระเจ้าสองอย่างนั้นนุ่นใจให้มองเห็นภาพในก่คสิ่งเราควรเป็นสิ่งเราควรทำนะฮะไม่ใช่เพื่อโยชตัวเองแต่ปรารถนาผู้ื่นได้รับพรคำว่าเพื่อคนอื่นเลยทำเพื่อคนอื่นรับพรไม่ใช่ข้าพเจ้าปรารถนาได้รับของให้แต่ข้าพเจ้า อยากให้ท่านได้ผลกําไรบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าอิ่มอยู่เพราะได้ของจากเอปาฟุนิชัสสิ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกินหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยพระเจ้าและพระเจ้าทรงพระเจ้าข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์นุงเรื่องของโปรงในพระเยซูคริสขออภิสลิตจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิดอามนเปาโลเมืเขารับใช้พระเจ้าเนี่ย เขาได้รับพรจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่กำลังใจที่ได้จากชาวฟิลิปปีคืออะไรเอปาฟอริทัสทำไมคนฟิลิปปีลงขันกันส่งเอปาฟอริทัสไปดูแลเปาโลโอ้โหเป็นของขวันสุดยอดมากดีกว่าเงินได้คนไปช่วยทำงานนะฮะแต่ใครใครออกตังคนเมืองฟิลิปปีออกตังส่งเอปาฟอริทัสไป นั่นคือสิ่งที่มองเขียนภาพน่าสนใจว่าคําว่าทําปื่อหยุดผู้อื่นไม่เพื่อตัวเองคือว่าปรารถนาผู้อื่นรับพรงานรับเทพเจ้าเป้าหมายของเราคือหวังว่าผู้อื่นจะได้รับพรไม่ใช่ตัวเองจะได้รับพรหลายคนบอกมารับเทพเจ้าเพื่อรับพรผิดใช้คําพูดนี้ไม่ถูกไม่ใช่หลักประเด็นบางคนมารับเทพเจ้าจรับพรไม่ใช่คนรับเทพเจ้ามีเหตุผลเดียวอยากตอบแทนพระคุณพระเจ้า พรพอไม่ต้องการพราะได้เยอะแล้วที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยพราะได้พรมาเยอะแล้วพรใงความรอดพรการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าพรใการปกป้องรักษาพระเจ้าพรการดูแลของพระเจ้าอุ้ยพรเยอะแล้วตอนนี้อยากรับใช้เจ้าเพื่อตอบแทนพระคุณไม่ต้อการอย่างอื่นและหวังว่าคนอ่นจะได้รับพรเหมือนที่เราได้รับพรจากพระเจ้าแค่นั้นเองนั้นการรับใท้พระเจ้าหวังให้คนอื่นได้รับพรเราเห็นเขารับพรเราดีใจเข้าใจไหม เราไม่ได้ประเซนต์จะกเขาหรอกผมทำไปแล้วคนนี้ได้รับพรแล้วได้มาสิบเปอไหมไม่ได้พรใครพรมันพรใครพรมันพระเจ้าไปแบง่งนั่นอยากกระน้นใจมันนี่คือสิ่งคาดหวังผลประโยชน์คือว่าคนอื่นเพิ่มเพิ่มอื่แล้วคนอื่นได้รับพรเราไมไ่หวังเพื่อตัวเองรับพรแต่ทําเพื่อคนอื่นจะได้รับพรเพราะเราได้รับเต็มที่แล้วเราเห็นพระคุณพระเจ้ามากมายก่กองเหลือเกินเพราะพรพระพพเจ้าทุ่มเทกับเราเยอะแยะมากมาย นี่เราสำนึกในพระคุณนะอยากจะทําให้คนอืนได้รับพร Mountains เหมือนอย่างที่เราได้รับพร uh huh. นั่นคือเป้าหมายการรับใช้พระเจ้ า, าจริงนะครับ mm hmm. นั้นเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อประคิดชีวิตพอเพียงทองมาได้เลยฮะอยู่เพื่อประคิดชีวิตพอเพียงนะฮะอยู่อย่างไรอยู่ในหลักการของพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์นะ ค, คือการทํางานกบพรงอยู่กับพระองค์พระเจ้ารับรองพระเจ้าปกป้องพระเจ้ารักษานะครับ เราคาดหวังอะไรคาดหวังการร่วมมือภารกิจกับพระเจ้าเพื่อคุณอื่นจะได้รับพรเราอยู่เพื่อคุณอื่นจะได้รับพรแต่ถ้าตัวเองไงแล้วพรขอตายดีกว่าไปอยู่พระเจ้าดีกว่านั่นพรมหาศาลเลยแต่ที่ต้องอยู่พระเจ้าให้มิชิจูก็เพื่อคุณอื่นจะได้รับพรถ้าเราเข้าใจงี้ได้ไม่ชมีปัญหาอะไรนั่นก็หนุนใจพี่น้อง น, นี่คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นและเป็นแนวคิดเดียวกันกับที่ในหลวงชัดก้าวได้ แล้ววางแบบชีวิตเอาไว้ในหลวงชาติก้านะทุกอย่างทาเนี้ยไปะนะ่ะหลอดจาซีฟันก็บบีบแล้วบีบเอกนะบีบพอแถมเอาเหล็กมาลูดอีกทำเรียบแ <c oughs> นะแปลงที่ฟันในชะ่ใช้จนกระทั่งนะฮะนะรองเท้าก็ปะแล้วเยบ็บแล้วเยบ็บบีกันในชะ่ยัใช้ได้อยู่อาจารพระองค์ก็ทําเป็นแบบอย่างคิดหลากหลายเรื่องความกาน นั้นก็หนุนใจใเราบอกเห็นว่าสิ่งที่เราสําคัญคือว่าให้เราทั้งใจให้ดีว่าให้เรามีชีวิต อ, อยู่เพื่อประคิดชีวิตจะพอเพียงให้เราอยู่ยังมีหลักการในพระเจ้าคือการพึ่งพาในพระเจ้าโดยเราเองเราทําไม่ได้ยีนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมากมายแก่กองรอยตอนจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าอยู่ยากนะครับแล้วเราอยู่เพื่อคนอื่นจะได้รับผ่อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยเหตุผลนี้ทั้งหมดนี้เราจะมีชีวิตเพื่อพอเพียง เพบพระคุณพระเจ้าที่เกินความเข้าใจท่วมท้นในชิมเรานี่คือชีวิตพอเพียงที่พระเจ้าได้ให้หลักการไว้ในเรานะเหมือนกับหลักการในหลวงเที่ให้กับคนไทยเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงนะครับเราจะร่วมใจฐานด้วยกันสันเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเร็มยาสันเสริญพระเจ้าแล้วร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันนะเพลงสุดท้ายเพลงลายจาไม่ได้ เมื่อมองดูความบริสุทธิ์นะครับขอช่วยร้องหน่อยเ <c oughs> มื่อมองดูความบริสุทธิ์เราร้องเพลงนี้มองดูพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อมองดูความบริสุทธิ์ก็ พระอ้เพ่งดูความรักมันคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของข้าโดยคุณค้าเมื่อเทียบกับพราเมื่อทำตามนั h a l a h s h a e l u j a e j a h San San. พระเยซูอีกครั้งครับข้าจริงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตใจของเรายกใจของเราต่ำระเ้าสรรเสริญพระเจ้าพระฤาษีสรรเสริญพระเจ้า สังเสริญพระเจ้าอาเมนสันเงสเสริญพระเจ้าพเจ้สัเงเสริญพระชีวิตขาอยู่สังเสริญพระองดนตรี เ, เล่นไปครับทุกคนจะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวฮาเรลุยาสังเสริญพระเจ้า สรรเสริญละขอบคุณในความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราในการมืองชิดวันต่อวันขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีความคิดสนะความคิดยืนบนพื้นฐานแห่งหลักประคำของพระเจ้าให้คำหลาจะอยู่เพื่อพระเยซูให้คงหลาจะอยู่โดยการพึ่งพาพระคุณความรักพระเจ้า และข้างหลายอยู่โดยการจะร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อคนอื่นจะได้รับพระพรสันเสริมขอบพระคุณพระเจ้าฮาลิลูยาสันเสริญพระเจ้าถ้าเราม่ชีวิตแบบนี้ชิงนเราก ah ็จะเป็นชีวิตที่พอเพียงเพราะการอยู่เพื่อพระคิดชีวิตจะพอเพียงสันเสริมขอบพระคุณพระเจ้าฮาลิลูยาสัรเสริญพระเจ้าพิ่งใหญ่สูงสุดของข้าพ้าทั้งหลายขอบคุณในความรักความไม่ต่างพระเจ้า ขอบคุณการอวยพรของพระเจา้าสรรเสริญพระเจา้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจา้ามีอะไรบ้างที่เรามีความทุกข์ใจมีอะไรที่เราหนักใจเราทบทวนดูบางทีเพราะเราอยู่เพื่อตัวเองมากเกินไปเราจรึงทุกข์ใจแต่เราเปลี่ยนสนาความคิดมาอยู่เพื่อพระคริสต์ความทุกข์ใจจะหายไปอาจจะเผชิญความยากลำบาก จะได้ไปเชิญพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเราจะผ่านพ้นความยากลาบากไปได้และถ้าเราสามารถไปชีวจุดเพื่อคนอื่นเราจะมีความสุขและคนอื่นจะได้รับพระพรเป็นชีวิตพอเพียงเป็นสกิดพอเพียงชีพพอเพียงเพราะทั้งหลายอยู่ในพ ร, ร, ระคุณสันเสริมขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าโอ้ขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าขอบพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าดูแลเราขอพระเจ้าหนุนใจเรา ส, สรรเสริญลขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณในความรักความไม่ต่างพระเจ้าท <ants> ี่มีค้ำรับหลายขอบพระคุณพรษ์ขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณในความรักของพระเยซูฮาเลลูยาใช้เวลาพระเจ้าครับใช้เวลาพระเจ้าฮาเลลูยา เราสงบใจสักครู่กับพระเจ้าของเราขอบคุณพระเยซูที่พระเจ้าอยู่ด้วยและวอวยพรขอบคุณพระเยซูที่ปรับสนะความคิดของหลายจะอยู่ชีวิตดําเนวนชุดไปกับพระองค์อยู่เพื่อพระคิด อยู่เพื่อคงหลายจะได้พึ่งโดยการพึ่งพาพระคุณของพระองค์และอยู่เพื่อจะชีวิตของคนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้รับผอผ่อนสันเสริมและขอบพ ร, ระเจ้าขอบพระคุณพ ร, ระองค์เจ้าอวยพรทรงนำสันเสริมลขอบพระคุณในความรักพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นใครทุกข์ใจเอามือวางที่หัวใจของท่าน สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้าพระบิดาเจ้าข้าทุกๆมือที่วางไปไม่ว่า ก, การเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาสเร็ต จ, จงหายเป็นปกติแต่คำหลายขอไปเสดโรคภัยแค่จิตนี้จะไม่กลับเข้ามาอีกสรรเสริญลขอบพระคุณพระเจา้า ความทุกใจความหนักใจความท้อใจหมดกําลังใจอึดอัดในหัวใจเหมือนภูเขาทับ อ, อกในนามของพระเยซูกิจชานัสเซตเขาสั่งภูเขานี้ลอยออกไปแล้วขอพระเาจะทานไสสุขความชื่นดีได้ปกครองจิตใจข้างหลายไว้ขอบพระคุณพระเจ้าความชื่นชมดีของพระเจ้าเป็นกําลังขับพวงหลายใจที่ราเริงก็เป็นยายอย่างดี แต่ใจที่มรณะทําให้กระดูกแห้งข้างหลายจะลื่นเริงดีในพระเจ้าและข้างหลายจะหายเจ็บหายป่วยและในการขับไลฐ า, านเพื่อคนเจ็บคนป่วยในเวลานี้อาจมีหลายคนฐานเผื่อพี่อิสิรักษ์เขาจะอวยพรรักษาเขาให้หายจากเรื่องโรคไตฐานเผืพอพี่น้องของเราปีนเขาจะอวยพรรักษาเขาให้หายปกติฐานเผื่อป้านุ๊กแก้วเขาพจะอวยพรเขามีกําลังขึ้นแข็งแรงสามารถกลับบ้านได้ฐานผ่านพระอุโสหลายคน ไม่ว่าเป็นน้ําจิตกระแตพระเจ้าเป็นน้าชอุม่มปะเจียนเมละอองจันนําไผ่คุณมอมรศีคุณวิรายพรเจ้าอวยพรรักษาครับสรรเสริญละขอบพระคุณพระเจ้าคนอื่นที่เจ็บป่วยเราไม่รู้ขอพระเจ้าดูแลรักษาอวยพรเขาสรรเสริญละขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเมตตาพระเจ้าคุณาพระเจ้าดูแลสรรเสริญละขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจพรครับ